วัดป่าสุขโตตอนเที่งเครื่องจะมีพิธีทอดกระถิ น, อนทอดกรินนี่ก็เป็นงานบุญประจำปีนะของวัดป่าสุขโตเช่นเดียวกับวัดอื่นๆถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยทีเดียวนะของที่นี่และญาติโยมจำนวนมากนะก็รู้นะถึงความสำคัญของการทอดกระแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามันสำคัญอย่างไง รู้แต่ว่ามันเป็นงานบุญที่นานนานๆทีจะมีสักครั้งก็คือปีละครั้งเป็นงานยากแต่ก็ไม่รู้ว่าทาไมมันถึงสำคัญแล้วก็จะไม่ได้สงสัยว่าทำไมเนี่ยถึงจัดได้แค่ปีละครั้งนะสำหรับวัดใดวัดที่ว่าจัดได้ปีละครั้งเนี่ยนะเรก็จอดจงด้ยนะว่าต้องเป็นช่วง30วัน หลังจากวันออกพรรษาหลายคนอาจจะไม่ได้สงสัยนะว่าทําไมเนี่ยถึงจัดได้นะเฉพาะช่วงเวลานี้ไม่เหมือนสังฆทานนะหรือการทําบุญอย่างอื่นนี่ทําได้ตลอดปีปีละหลายครั้งก็ได้ท่าที่ทําได้ปีละครั้งแล้วก็เฉพาะ30สิวันหลังจากพรรษาเนี่ยก็เพราะเป็นงานบุญที่ ผูกติดกับการเข้าพรรษาและการออกพรรษาเพราะว่าการเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นการทําความเพียรของพระซึ่งหลายวัดนี่ก็มีเป็นจนํานวนมากหลายรูปเมื่อพระได้ทําความเพียรทั้งเรียนทั้งศึกษาจนครบสาเดือนแล้วอันนี้ก็ไปถือว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาและยิ่ง พระในวัดเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นเรียกว่ามีความสามัคคีกันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งน่านุมโมทนาเข้าไปอย่า ง, งานบุญกฐินเนี่ยนะจุดผู้หมายสำคัญก็คือเพื่อเชิดชูนะสามัคคีธรรมในหมู่สงฆ์ที่จำบรรษาครบถ้วนไตรมาสได้อย่างราบรื่นและเพราะอย่างนี้แหละนะจึงจัดนะในช่วง 30วันหลังจากอพรรษาความสมคู้ธรรมของบูสงเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญสำคัญทั้งสำหรับการประพฤติธรรมของพิกิุแต่ละรูปแล้วก็สำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของพุทธศาสนาซึ่งรวมไปถึงการเผยแผ่ธรรม ให้กับญาติโยมเรียกว่าสมน ก, กิจหรือศาสน ก, กิจอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเราเนี่ยควรจะตระหนักควรจะเข้าใจนะว่าบุญกระินเนี่ยมันสำคัญอย่างไรและทำไมเนี่ยจึงจัดในช่วงนี้เท่านั้นคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะของการเสริมสร้างสมคีธรรมไม่ใช่เฉพาะ ประสงค์เท่านั้นนะแต่รวมไปถึงสามัคคีในหมู่ญาติโยมด้วยการทําบุญกระถินเนี่ยเป็นงานใหญ่มันก็เป็นการเสริมสร้างนะประชับความสัมพันธ์ในหมู่ญาติโยมแต่ก่อเนี่ยญาติโยมที่มาร่วมบุญกระถิหรือว่าเป็นเจ้าภาพะกรถิ น, นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็เป็นชาวบ้านรอบวัด บางทีก็อาจจะมีชาวบ้านจากที่ไกลๆมาร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ก็ไม่ทิ้งนะหัวใจของงานบุญกะถิ่นก็คือความสามัคคีเพราะว่าจะจัด ง, งานนี้ได้นี่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็มีสิ่งที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อาจจะมีหมหรศอันนี้ก็เป็นตัว หลอเลื่อนนะความสัมพันธ์ของผู้คนโดยเพราะจากตามถิน่นให้มามีความสมัครสมานรักใคร่สมัค ร, ร ค, รครีกันแต่มันก็ไม่ได้มีเท่านั้นนะตัวงานการเองเนี่ยการจัดเตรียมงานกรถินนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นโดยเพราะกระถินที่เรียกว่าจุลกระินนะจุลกถินเนี่ยต่างจาก มหากถินนะมหากระถิญ น, นะ น, นี่ยคือกถินที่เราทํากันทั่วไปนะซึ่งบางทีแล้วก็เรียกว่ากถินสมคัคคีหรือกถินที่มีเจ้าภาพเป็นหลายบุคคลหรือว่ามีเฉพาะเจ้าภาพเป็นรายเดียวตัวกระถินเนี้ยนะที่จริงแล้วนี่ทำแล้วนี่เกิดมหากุศสนนะยิ่งกว่ามหากถิญ น, นี้ยนะเพราะว่าต้องอาศัยความสามัคคีกันอย่างเนียวแน่นเลยทีเดียว เนื่องจากจะต้องทำทุกอย่างทุกกระบวนการให้เสร็จภายในวันเดียว oh. เริ่มตั้งแต่ oh. เก็บฝ้ายนี่มาปั่นเป็นได้ oh. เอาฝ้ายมาปั่นเป็นได้ oh. จากได้นี่ก็มาทอเป็นผ้า oh. พอทอเป็นผ้าเป็นผืนผแล้วก็ต้องตัดเย็บแล้วก็ยอ่อ oh. ให้เป็นสบงบ้างหรือว่าจีวรบ้างหรือว่าสังคติบ้าง งานใหญ่นะต้องร่วมแงรงร่วมใจกันทีเดียวให้เสร็จนะาภายในวันเดียวเพื่อถวายกับสงจึงเรียกว่าไม่ใช่เป็นงานเล็กงานน้อยแต่ว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความสมัครคีกันมากสาระของกระทินเนี่ยก็คือส่งเสริมและเชิดชูสมัคคีทำทั้งในหมู่สงแล้วก็ในหมู่ คารวะญาติโยมโดยมีผ้ า, นผานเนี่ยผ้ากรถินนี่เป็นสื่อนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือสมัยพุทธกาลเนี่ยผ้าเป็นของหายากพระนิตกกรณนี่ก็ต้องไปเก็บผ้ามาจากผ้าหอศพก็มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ต้องมาเย็บนะให้เป็นผืนเดียวกัน แล้วก็มาย้อมทีต้องต้มด้วยนะเพื่อให้ความเหม็นนะมันจางคลายตอนหลังนี้ก็มีพระบรมพุทธานุ ญ, ญาตให้พระสิุ่สงฆ์รับผ้าจากญาติโยมได้ก็เลยมีการถวายผ้าบางทีก็ถวายในรูปสังฆทานคือผ้าป่า ผ้าป่านี่กคือแต่เดิมคือผ้าที่ญาติโยมเนี่ยไปแขวนไว้ตามป่าเพื่อให้ผ้านี่ไปชักเอามาใช้พอสมัยก่อนไม่มีพระพุทธานุญาตให้รับผ้าจากญาติโยมได้ผ้าแบบนั้นก็เรียกว่าผ้าบดีจีวร น, นะแต่ตอนน่อหลังมีมีพระพุทธานุญาตให้รับผ้าจากญาติโยมได้ก็เลยมีการถวายผ้าเป็นหลายบุคคลบ้างหรือว่าในรูปสังฆทาน สังฆทานคือถวายกระสงและสง์ก็ตัดสินว่าจะมอบให้กับใครภากระถินเนี่ยนะก็เหมือนกันนะเป็นสังฆทานที่ญาติโยมหรือเจ้าพามีถวายกระสงนะและสงก็มีมติเป็นเอกฉันว่าจะมอบให้กับภาพรูปใด ก, การที่จะมีมติเป็นเอกฉันในนี้ก็ต้องอาศัยความพร้อมใจหรือพร้อมเพรียงก็คือความสมัคคีกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าญาติโย ม, มีจะถวายกับภาพรูปใดรูปหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่นะ ถ้าท ำ, ทำฉันั้นัมันก็ไม่ใช่ภ้ากระถินไม่ใช่ผ้าสังกัดฐานแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยนะต้องถวายกับสงสงก็มอบให้กับภาพรูปใดรูปหนึ่งอันนี้ก็คืออุบายที่สร้างสามัคคีในหมู่สงโดยมีภ้ากระถินเนี่ยเป็นเป็นสื่อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผ้าก็ลดความสำคัญลงไปแล้วต่อหลังเนี่ย บริวารกรถินมีความสําคัญมาแทนแล้วบริวารกรถินที่สําคัญคือเงินกระถินเนี่ยตอนหลังเนี่ยเงินก็เลยเป็นสิ่งสําคัญขณะเดียวกันเนี่ยไอความสมรู้มแข็งของมูสงเนี่ยที่เคยเป็นจุดหมายสําคัญของบุญกระถินก็ค่อยๆเลือนหายไปเวลาทอดกระถินเนี่ย เจ้าภาพก็อยากจะได้เงินเยอะๆมาถวายกับวัดบางทีพระเองก็สนใจนะให้ความสำคัญกับเงินจนลืมไปว่าเนี่ยกระินเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยคุณค่าอยู่ที่สิ่งที่เป็นนามธรรมาซึ่งสำคัญมากนะก็คือความสามัคคีตอนหลังเนี่ยกระินมันก็เลยความหมายก็แปลเปลี่ยนไป มีเรื่องเงินเข้ามาเป็นจุดหมายแล้วบางทีก็เป็นเรื่องของหน้าตาด้วยนะวัดเนี่ยนะวัดไหนถ้าไม่มีกระถินเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกเสียหน้านะบางทีชาวบ้านเองบางทีภาพไม่รู้สึกอะไรนะแต่ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกนะว่านเนี่ยวัดประจำบ้านของตัวเองเนี่ยไม่มีกระถินมาเลย ก็ต้องผนขวายไปหากรถินมาจากที่อื่นหรือไม่ฉะนนั้นก็รวบรวมกันทอดกรถินเสเองจุดหมายสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพื่อเชื่อชู่ความสามัคคีนะแต่เพื่อรักษาหน้าตานะของหมู่บ้านหรือบางทีก็รักษาหน้าตาของวัดของเจ้าวาดัดอันนี้ก็เป็นความคลาดเคลื่อนนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกวันนี่จะมีกถินนะบางวัดก็ไม่มี แล้วว่าที่ไม่ได้กระถินเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าญาติโยมอาจจะไม่รับรู้หรือไม่มีกำลังตอนหลังเนี่ยกระถินมันก็เป็นเรื่องของหน้าตาซะเยอะเจ้าภาพเองเนี่ยถ้าหาเงินได้น้อยแทนที่จะได้แสนได้แค่หมื่นก็สึกเสียหน้า ก็ทอดกระถิ้นนะด้วยความทุกข์ด้วยความเสียใจนะเพราะรู้สึกว่าเนี่ยหาเงินมาได้น้อยกว่าที่ตั้งใจหรือน้อยกว่ากระถิ่นกองอื่นของเจ้าภาพคนอื่นอันนี้เนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะไม่ถูกต้องเพราะไม่รู้ถึงจุดมุ่งหมายสำคัญของกะถิ่นนะเงินจะได้มากหรือน้อย ไม่สําคัญบริวากรก็ถินจะน้อยก็ไม่สําคัญอยู่ที่ว่านะเรามีใจนะที่จะมาถวายเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมในหมู่สงฆ์แล้วขณะเดียวกันก็ช่วยทําให้เกิดความพร้อมเพรียงกันในหมู่ญาติโยมด้วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าพอไปเอาเงินแล้วก็หน้าตาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ย บางทีมันทำให้ความสมัครใเน่เสียไปนะอย่างญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยอตั้งเป้าว่าเงินกระทินเนี่ยจะต้องให้ได้เป็นแสนเป็นล้านจะทำยังไง อ, ะอ่ะคนนี้ก็ต้องไปไปบีบไปเค้นยัง mm hmm. ไม่ถึงขั้นรีดไถ่นะแต่ว่าก็ไปบีบไปเค้นไปคั้นไปเรียกร้องนะ ให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมทำบุญกระถินด้วยเดี๋ยวนี้คนจำนวนไม่น้อยเลยนะกลัวซองกรถินนะเห็นกรถินเห็นซองกระถินแนะล้วกลัวเพราะว่าถูกเรียกร้องเจอซองกฐถิน่นมันก็ถูกเรียกร้องให้ต้องบริจาคเงินให้ต้องใส่ซองก็พูด ง, ง่ายๆใส่น้อยนะห่าสิบบาท20บาท คนที่มายื่นซองให้ก็อาจจะไม่พอใจนะเพราะว่าท่าสายของตัวเองได้น้อยเจ้าภาพรู้เจ้าภาพก็จะไม่พอใจมันก็เลยกลายเป็นการแตกสามัคคีกันนะเกิดความขัดแยง้งเกิดการทะเลาะวิวากกนเกิดความไม่พอใจกันอาจจะไม่ถึงกันทะเลาะแต่ว่ามีความกินแหนแคลงใจเพราะว่าทำไมสายนี้ได้น้อยทำไมคนนี้ให้น้อยอันนี้เรียกว่า มันได้ผลตรงข้ามกับจุดมุ่งหมายนะของบุญกระินนะดั้นเราตั้งใจดีนะจับหลักให้ได้ว่ากระถินเนี่ยนะจุดมุ่งหมายคืออะไรเพื่อสร้างความสมัคคีไม่ใช่เพื่อแตกความสมัคคีไม่ใช่เพื่อกินแหนะแขงใจแล้วก็ไม่ได้จุดหมายอยู่ที่ยอดเงินหรือวันหน้าตานะถ้าทําความเข้าใจแบบนี้ได้เนี่ยมันจึงจะเป็นบุญอย่างแท้จริงในเมื่อเราจะ ทอดกฐินเพื่อสืบทอดประเพณีแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายสาระสำคัญของประเพณีไม่งั้นมันจะเหลือแต่รูปแบบและเป็นรูปแบบที่กลงด้วยนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องเงินเรื่องหน้าตาซึ่งเป็นเรื่องของความฉาบฉวยแล้วก็เป็นการส่งเสริมกิเลสไปในที่สุดแนะทนที่จะส่งเสริมนะธรรมะอย่างที่กุฎจ้าเนี่ยส่งบัญญัติเอาไว้